เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจคุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส8บแปกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าง จากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตของตนด้วยการมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพราะ การกระทำเหล่านี้เป็นการให้ปัจจัยสี่ต่อจิตใจจิตใจก็ต้องมีปัจจัยสี่เหมือนกับร่างกายเพียงแต่ว่าปัจจัยสี่ของจิตใจกับของร่างกายนั้นไม่เหมือนกันอาหารของจิตใจก็คือการทำบุญให้ทาน เสื้อผ้าอภรรของจิตใจก็คือศีที่อยู่อาศัยของจิตใจก็คือสมาธิยารักษาโรคจิตใจก็คือปัญญานี่คือปัจจัยสี่ของจิตใจถ้าปัจจัยสี่ถ้าจิตใจขาดปัจจัยสี่แล้วจิตใจก็จะ มีความทุกข์มีความขิวมีความอยากมีความไม่ปลอดภัยเราจึงต้องมาให้ปัจจัยสี่กับใจเหมือนกับที่เราให้ปัจจัยสี่กับร่างกายร่างกายของเราก็ได้รับประทานอาหารทุกวันวันละสามมื้อสี่มือ้อ ร่างกายของเราก็มีเสื้อผ้ า, าพรไว้สวมใส่เพื่อความสวยงามร่างกายของเราก็มีบ้านที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆร่างกายของเราก็มียารักษาโรคเพื่อรักษาโรคไภัยไข้เจ็บต่างๆ อย่างที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ปวมขึ้นมาใจของเราก็จาเป็นที่จะต้องมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเสื้อผ้าอาภรณ์เช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ปัจจัยสี่กับจิตใจของเราเหมือนกับให้ ปัจจัยสี่แก่ร่างกายของเราถ้าเราอยากจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขคล้าคลาดปลอดภัยจากทุกภัยต่างๆคล้าคลาดปลอดภัยจากความทุกข์ใจหรือโรคภัยของใจคือความเครียดนั่นเองนี่คือเรื่องของพระาศาสนา พระศาสนาสอนให้เราดูแลรักษาใจเช่นเดียวกับเราดูแลรักษาร่างกายและให้รักษาใจให้มากยิ่งกว่ารักษาร่างกายเพราะใจนี้มีความสาคัญต่อเรามากกว่าร่างกายหลายร้อยเท่าด้วยกันความสุขความทุกข์ของใจ มีกำลังมากกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายร่างกายของเราถึงแม้จะเป็นปกติดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อดยาขาดแคลนแต่ถ้าใจของเราเจ็บไข้ได้ป่วยอดยาขาดแคลนเราจะรู้สึกมีความทุกข์ทรมานใจมาก <c oughs> เช่นเรามีร่างกายสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีอาหารรับประทานแต่ใจของเรามีความทุกข์มีความเศร้าโศกมีความวุ่นวายใจนี่แสดงว่าเราขาดปัจจัยสี่ทางด้านจิตใจความสุขของทางร่างกายก็จะถูกความทุกข์ของจิตใจนี้กบเกลือนไปหมด ทำให้เราไม่รู้สึกมีความสุขเลยส่วนในทางตรงกันข้ามถ้าจิตใจของเรามีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์มีความสุขมีความอิ่มหนำสำราญใจมีความรู้สึกปลอดภัยจากภัยต่างๆปลอดภัยจากความเครียดต่างๆถึงแม้ร่างกายเราจะอดอยากขาดแคลนบ้าง อดอาหารบ้างเจ <c oughs> ็บไข้ได้ป่วยบ้างมีเสื้อผ้าอภารรท์ที่ไม่สวยงามไว้สวมใส่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยก็ตามแต่ความทุกข์ของทางร่างกายนี้จะถูกความสุขของจิตใจนี้ลบไปได้หมดเลยจะไม่รู้สึกทุกข์เลยถึงแม้จะอดอยากขาดแคลน ขาดอาหารขาดเสื้อผ้าขาดที่อยู่อาศัยขาดยารักษาโรคแต่ใจไม่ขาดปัจจัยสี่ใจมีทานใจมีศีลใจมีสมาธิใจมีปัญญาแล้วจะอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาโรทั้งหลายท่านอยู่อย่างมีความสุข ถึงแม้ว่าปัจจัยสี่ทางร่างกายจะขาดแคลนหรือจะ <c oughs> ยากลำบากแต่ใจของท่านกลับไม่เดือดร้อนท่านอยู่ใต้โคนไม้ได้ท่านรับอาหารตามที่ได้มาจากการบินทบาทได้ท่านมีเสื้อผ้าคือมีจีวรบำสกุลจีวรเก่า ที่เย็บมาจากเศษผ้าที่เก็บมาจากกองขยะเก็บมาจากป่าชา้าแล้วเอามาเย็บเอามาต่อทำให้เป็นผ้าจีวรแล้วซักย้อมด้วยน้าฝาดคือน้านที่ได้มาจากแก่นของแก่นไม้เช่นแก่นขนุน เสื้อผ้ า, าพรของท่านไม่ได้สวยงามเหมือนเสื้อผ้ า, าพรของเราแต่ท่านกลับมีความสวยงามมีความน่าเคารพน่ารักน่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งเพราะอาภร์ของท่านคือศีล น, นี้มีอนุภาพมากกว่าเสื้อผ้าอาภร์ของร่างกายร่างกายถ้ามีเสื้อผ้าอภรรสวมใส่ที่สวยงาม แต่ถ้าจิตใจไม่มีสิ่งจิตใจเป็นคนใจบาปเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตอย่างนี้ต่อให้ใส่เสื้อผ้าที่สวยงามเพียงใดก็ตามจะไม่ได้สร้างความระทับใจให้แก่ผู้ที่รู้จักได้พบเห็นเพราะถ้าเขาได้สัมผัสกับความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ความใจร้ายใจบาปเขาก็จะเกิดความเบื่อหน่ายไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดความรักแต่อย่างใดเพราะเพราะว่าใจนั้นไม่สวยงามนั่นเองนี่คือความสำคัญของใจทุกอย่างนี้อยู่ที่ใจของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความอิ่มความสุข ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยจากภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นความที่ไม่มีโรคภัยทางด้านจิตใจอยู่ที่ปัจจัยสี่คือทานศีล ส, สมาธิและปัญญาที่พวกเรา ควรที่จะดูแลให้จิตใจได้รับอย่างสม่ำเสมออย่างวันนี้เรามาวัดเราก็ได้มาทำบุญให้ทานเท่ากับการให้อาหารถ้าเรารักษาศีลหได้เราก็จะให้เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามแก่จิตใจถ้าเรานั่งทำสมาธิทำจิตใจให้สงบได้ จิตใจของเราก็จะมีความสุขจะมีความปลอดภัยจากเรื่องวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราแล้วถ้าเรามีปัญญาเราก็จะป้องกันไม่ให้ใจของเราเกิดโรคจิตขึ้นมาได้ไม่เป็นคนบ้าไปได้ไม่คนเป็นคนที่มีแต่ความเครียด มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจได้เพราะปัญญาจะรักษาใจให้อยู่เป็นปกติได้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามปัญญาจะสอนให้ใจปลง่งสอนให้ใจยอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้วย่อมมีการเจริญเป็นธรรมดาและมีการเสื่อมเป็นธรรมดาไม่ว่า กับอะไรทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาถ้าเรามีปัญญามียามียารักษาใจแล้วเวลาเกิดการสูญเสียใจของเราจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจจะไม่หวั่นไหว จะไม่เดือดร้อนนี่คือปัจจัยสี่ที่พวกเราควรที่จะให้แก่จิตใจอยู่ตลอดเวลาเท่าที่เราจะทำได้เช่นอาหารของจิตใจคือทานคือการให้เราก็ควรที่จะให้อยู่เรื่อยๆไม่ใช่แต่จะเพาะให้แต่กับพระเวลาที่เรามาที่วัดเท่านั้น เราควรจะให้ผู้อื่นด้วยถ้าเราเห็นใครเดือดร้อนลาบากเราพอที่จะให้อะไรเขาได้ให้เขาได้มีความสุขบ้างก็ให้เราให้เขาไปเถิดเพราะให้เราคิดว่าเป็นการให้อาหารกับใจเราเพราะเมื่อเราให้เขาแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจ ถ้าเราไม่ให้ใจของเราจะรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างเหมือนกับเรารู้สึกขาดอาหารเวลาที่เราไม่ได้รับประทานอาหารเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารแล้วไม่ได้รับประทานอาหารร่างกายจะรู้สึกว่ามันขาดอะไรฉันใดเวลาที่เราไม่ได้ให้ทานเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราขาดอะไร ใจของเราเหมือนกับว่ามันไม่มันไม่อิ่มเหมือนไม่พอทั้งๆ ท, ที่เราก็มีข้าวของเงินทองเหลือเฟือเหลือใช้เหลือกินแต่เรากลับรู้สึกว่าเราขาดอะไรไปนี่แหละเพราะว่าเราไม่ได้ให้ทานกันอย่างสม่ำเสมอพอเราไม่พอเราไม่ได้ให้ทานเราก็จะเกิดความรู้สึกขาด แล้วเราก็จะทำให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเราก็ต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาตามความรู้สึกความอยากของเราแต่ได้มามากน้อยเพียงไรก็ยังรู้สึกขาดขาดอยู่อย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ให้อาหารแก่ใจนั่นเองเวลาที่เรารู้สึกว่าเราขาดอะไรแล้วทำให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้เราคิดถึงการให้ทานเถิด เอาไปทำบุญให้ทานแทนที่จะเอาเงินนี้ไปซื้อของตางความอยากซึ่งไม่เกิดประโยชน์กับใจเพราะไม่ได้ให้อาหารกับใจให้เอาเงินนี้ไปทาบุญให้ทานเอาไปบริจาคช่วยเหลือผู้อื่นรับรองได้ว่าจะเกิดความรู้สึกอิ่มรู้สึกพอขึ้นมาภายในใจอย่างวันนี้ญาติโยมมาทาบุญให้ทานกันนี้ ก็จะเกิดความรู้สึกมีความอิ่มใจมีความสุขใจพอใจได้รับอาหารนั่นเองนี่คือเรื่องของอาหารของใจคือทานกับส่วนเสื้อผ้าอภารร์ของใจก็คือศีลห้านี้เองถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราจะเป็นคนที่มีคนเขา รักเขาเคารพเราถ้าเราไม่มีศีลห้าเราจะเป็นคนที่เขาไม่เักรพไม่เคารพแต่จะรังเกียจจะไม่ชอบคบค้าสมาคมกับเรามีใครบ้างที่อยากจะคบค้าสมาคมกับคนใจบาปคนที่ไม่มีศีลคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปด เสสุรายามเมาไม่มีใครชอบคบกับคนแบบนี้เพราะเขาไม่ใช่เป็นคนน่ารักไม่ไม่ใช่เป็นคนที่สวยงามทางด้านจิตใจนั่นเองต่อให้เขาแต่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอภารณ์ที่มีราคาแพงแพงที่สวยงามอย่างไรก็ตามแต่ถ้าใจเขาไม่สวยแล้วก็จะไม่มีใครที่อยากจะ คบคาสมาคมด้วยเพราะเขากลัวเพราะผู้ที่ไม่มีศีล น, นั้นใจก็เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานนั่นเองสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่มีศีลเขาเป็นเหมือนงูพิษถ้าเขาตกใจหรือเขาโกรธขึ้นมาเขาก็กัดเราได้ทําลายเราได้ แต่ถ้าเป็นคนที่มีศีลนั้นถึงแม้เขาจะโกรธถึงแม้เขาจะตกใจหวาดกลัวแต่เขาจะไม่ทำร้ายผู้อื่นเพราะเขามีศีลไว้ป้องกันไม่ให้เขาไปทำบาปทำกรรมนั้นเองทำให้เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนที่สวยงามที่แท้จริงพวกเราที่เราเข้าหาพระภิกษุได้กราบไหว้ บูชาพระสงฆ์ได้ก็เพราะว่าเราเห็นว่าท่านมีศีลท่านเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่ไม่ทำร้ายผู้อื่นนั่นเองเราจึงกราบพระได้อย่างสนิทใจทำบุญให้ทานกับพระได้อย่างสนิทใจเพราะเราเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีศีลมีธรรม เป็นคนที่สวยงามนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะสวยงามขอให้เราสวยงามทางจิตใจเถิดเพราะเป็นความสวยงามที่แท้จริงความสวยงามทางร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นความสวยงามที่แท้จริงเพราะร่างกายนี้ความจริงก็ไม่ใช่อะไรก็คือซากศพที่เดินได้นี้เองเพอ ร, ร่างกายเราไม่หายใจแล้ว ต่อให้แต่งกายสวยงามขนาดไหนก็ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังพอที่จะเข้าใกล้ได้อยู่เพราะยังมีลมหายใจยังดูแลรักษาร่างกายนี้ไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นออกมาได้เพราะเราอาบน้ำอาบท่ากันทุกวันแต่ถ้าไม่มีลมหายใจแล้ว ก็จะมีแต่สิ่งสกปรกสิ่งที่ไม่ปรารถนาออกมาจากร่างกายและร่างกายก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆจนเป็นสภาพที่ไม่น่าดูดังนั้นเราอย่าไปเสริมความ ง, งามทางร่างกายให้เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรขอให้เรามาเสริมความ ง, งามทางจิตใจกันดีกว่า พยายามรักษาศีลกันให้ได้ถึงแม้ยังไม่ได้ทั้งหข้อก็ขอให้รักษาไปทีละข้อก่อนก็ได้เริ่มต้นจากข้อที่หนึ่งไปก่อนก็ได้รักษาข้อที่หนึ่งได้แล้วก็รักษาข้อที่สองต่อไปข้อที่สามข้อที่สถ้าเราพยายามรับรองได้ว่าทุกคนรักษาศีลได้ไม่ยากเย็นอะไร เพียงแต่ว่าเราไม่เห็นคุณค่าของสินท่า น, นั้นเองเราไม่ให้ความสำคัญแก่สิลเราให้ความสำคัญแก่สิ่งอย่างอื่นมากกว่าคือความอยากความต้องการของเราทำให้เราไม่สามารถรักษาสิลได้เช่นเวลาเราอยากได้อะไรมากๆถ้าเราไม่มีเงินเราก็จะไปรักขโมยเงินมา เพื่อที่จะซื้อสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเราอยากจะได้ใครมาเป็นคู่ครองของเรามากๆรังเราก็จะไปประพฤติผิดประเวณีได้ไปแย่งสามีไปแย่งภรรยาของผู้อื่นได้เพราะอำนาจของความอยากทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นความไม่สวยงามของจิตใจว่า เป็นสิ่งที่ดีทำให้เรามีความสุขถ้าเราได้รักได้ขโมยได้โกหกหลอกลวงได้ประพฤติผิดประเวณีแล้วเราจะมีความสุขนี่เป็นความเห็นผิดเป็นชอบเพราะมันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มากกว่าผู้ที่ทำผิดศีลแล้วจิตใจจะไม่สงบจิตใจจะไม่สบา ย, จ, จ, จ, ะบายจะมีความวิตกกังวล จะมีความหวาดกลัวแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ไม่สวยงามไม่มีใครที่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยดังนั้นขอให้เราจงเห็นความสวยงามของจิตใจมากยิ่งกว่าความสวยงามของร่างกายร่างกายเราก็ดูไปตามอัตภาพอาบน้ำอาบท่าดูแลไม่ให้สกปรก ใส่เสื้อผ้าไว้ปกปิดอวัยวะต่างๆก็พอแล้วขอให้เราสวยที่ใจเถอถึงแม้จะไม่ใส่เสื้อผ้าที่สวยงามแต่จะมีคนรักเรามากยิ่งกว่าคนที่ใส่เสื้อผ้าที่สวยงามแต่มีจิตใจที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมจะไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยจะคบค้าสมาคมด้วย นี่คือเรื่องของเสื้อผ้ า, าผ่อนของจิตใจส่วนที่อยู่อาศัยของจิตใจก็คือสมาธินี่เองเวลาเราทำสมาธิได้แล้วใจของเราจะสงบจะเย็นจะสุขจะสบายเหมือนกับได้อยู่ในห้องปรับอากาศเวลาข้างนอกร้อนเพียงไรถ้าเราเข้ามาในห้องปรับอากาศเราก็จะรู้สึกเย็นสบาย ฉันใดถ้าเราจิตใจมีความวุ่นวายเดือดร้อนเราก็ทำใจให้สงบนั่งสมาธิแล้วความวุ่นวายใจความเดือดร้อนใจต่างๆก็จะหายไปได้เพราะเรามีที่หลบภัยนั่นเองนี่คือที่อยู่อาศัยของใจอย่าไปดูแต่ที่อยู่อาศัยของร่างกายสร้างบ้าน ใหญ่โตมาโหฬารราคาเป็นล้านแต่ใจกับมีความวุ่นวายมีความรุ่มร้อนมีความไม่สบายอกไม่สบายใจเพราะเราสร้างแต่เรือนกายเราไม่มาสร้างเรือนใจนั่นเองถ้าเรามีเรือนใจแล้วถึงแม้ว่าเรือนกายของเราจะไม่มีแต่เราจะมีความสุข มากยิ่งกั่าคนที่มีเรือนกายราคาเป็นล้านแต่ไม่มีเรือนใจเช่นพระที่อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไม้ท่านอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีบ้านเหมือนอย่างที่พวกเรามีกันแต่ท่านมีเรือนใจท่านมีสมาธิท่านนั่งเข้าสมาธิแล้วเม่อก็เหมือนกับว่าท่านได้เข้าไปในสวรรค์ นี่คือเรือนใจของพวกเราที่พวกเราควรที่พยายามจะสร้างขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเลยเพียงแต่ให้มีสติและเลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะเป็นการสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ไปภายในใจไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องต่างๆใจก็จะมีความสุขมีความสงบได้ หรือจะนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ก็จะทำให้ใจมีความสงบมีความสุดได้หรือจะมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ให้รู้อยู่กับลมเพียงอย่างเดียวอย่าไปรู้กับเรื่องอื่นมีเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาในใจก็อย่าไปสนใจ ให้รู้แต่เริ่มงลมอย่างเดียวแล้วไม่นานใจก็จะนิ่งจะสงบ พ, พอนิ่งสงบแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องดูลมไม่ต้องพุทโทไม่ต้องสวดม น, นั่งเฉยๆอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่เป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนี่คือเรือนใจของเราคือสมาธิ ขอให้เราพยายามฝึกทําไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาเวลาใดที่เราอยากจะหลบเข้ามาข้างในเราก็จะสามารถหลบเข้ามาได้ทันทีเพียงนั่งหลับตาทาใจให้สงบเท่านั้นเราก็จะเย็นจะสบายส่วนยารักษาของใจก็คือปัญญา เรือนใจคือสมาธินั้นเราต้องเข้าไปแต่เราอยู่ในสมาธิไม่ได้ตลอดเวลาเวลาเราออกมาจากสมาธิเราก็ต้องมารับรู้เรื่องราวต่างๆเรื่องวุ่นวายต่างๆเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เราก็ต้องมีปัญญาไว้คอยรักษาใจไม่ให้เราทุกข์ไปกับเรื่องราวต่างๆให้เรา มีความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานี้เป็นเรื่องธรรมดาของเขาเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขา <c oughs> เช่นฝนตกแดดออกมันเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้นินทาสรรเสริญเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะนินทาเราก็ห้ามเขาไม่ได้ สรรเสริญเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ด้วยการยอมรับความจริงว่าเป็นเรื่องธรรมดามันเหมือนกับเรื่องฝนตกแดดออกฝนจะตกแดาจะออกเราก็ไม่เดือดร้อนฉันใดเรื่องสรรเสริญเรื่องนินทาเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องรับสรรเสริญนินทาให้เหมือนกับเรารับฝนตกแ ด, ดดออกให้ได้ ถ้าเรารับได้เราก็จะไม่มีความทุกข์ใจใครจะด่าเราเราก็ไม่เดือดร้อนใครจะชมเราเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ดีใจจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเพียงลมปากเท่านั้นเองคำพูดของคนอื่นนั้นมันเป็นเพียงลมปากเหมือนเสียงลมพัดทาไมเวลาลมพัดเราไม่ไปวุ่นวายกับเขา ทำไมพอลมปากของคนเรากลับไปวุ่นวายกับเขาทำไมมันก็เป็นเสียงเท่านั้นเองเราไม่รู้กันเราไม่ฉลาดเราไม่มีปัญญาเราไม่มองให้เห็นว่ามันเป็นเพียงเสียงเท่านั้นเองเสียงพัดลมเสียงลมพัดเสียงฝนตกมันก็เป็นเสียงเสียงคนชมก็เป็นเสียงเสียงคนด่าก็เป็นเสียงอย่าไปเอามาเป็นสาระ ให้รู้ว่าเป็นเทียงเสียงเท่านั้นก็พอถ้าเรามีปัญญาเราจะมองอย่างนั้นเราจะดูอย่างนั้นเราจะฟังอย่างนั้นแล้วเราจะไม่รู้สึกอะไรกับการสรรเสริญหรือการนินทาของผู้อื่นถ้าเราจะฟังเราก็จะฟังด้วยปัญญาถ้าเขาสรรเสริญเราเราก็พิจารณาดูว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่เช่นเขาชมว่าเราสวย เราก็ดูหน้าเราที่กระจกดูว่าเราสวยอย่างที่เขาพูดหรือไม่ถ้าเขาพูดถ้าเราสวยอย่างที่เขาพูด ก, ก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่พูดจริงถ้าเขาพูดแล้วมันไม่จริงอย่างที่เขาพูดเราก็จะได้รู้ว่าเขาพูดโกหกก็รู้ตรงท่นั้นเองแต่เราไม่ต้องไปดีใจเสียใจเพราะถ้าเราสวยอยู่แล้วใครจะว่าเราสวยไม่สวย เราก็สวยอยู่อย่างนั้นแหละใครจะว่าเราไม่สวยเราก็ยังสวยอยู่เช่นเดียวกับเวลาที่เราไม่สวยเวลาใครเขาว่าเราสวยมันก็ไม่ได้ทำให้เราสวยขึ้นมาได้มันก็เราก็ไม่สวยอยู่อย่างนั้นแหละเช่นเวลาเราแก่มีอายุ80ปีหนังเหี่ยวย่นแล้วมีคนมาชมว่าเราสวยชมยังไงมันก็สวยไม่ได้เพราะมันแก่แล้วเราไม่ต้องไป ดีอกดีใจหรือเสียออกเสียใจกับคำพูดของคนขอให้เรายอมรับความจริงของเราก็แล้วกันถ้าเราไม่สวยเราก็ยอมรับว่าเราไม่สวยถ้าเราทำไม่ดีเราก็ขอให้เรายอมรับว่าเราทำไม่ดีแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเช่นเราทำอะไรไม่ดีแล้วถูกเขาว่านี่ไม่ดีนะทาอย่างนี้ไม่ดีเรายอมรับเสียเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่โกรธจะไม่เสียใจ ถ้าเราทำดีแล้วเขาว่าเราทำไม่ดีเราก็จะไม่เดือดร้อนเอกเพราะเรารู้ว่าเขาพูดไม่จริงเขาพูดไม่ตรงกับความจริงเพราะเราทำความดีเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนไปกังวลกับเขาเราก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรว่าเป็นคนพูดจริงหรือพูดไม่จริงเท่านั้นเองนี่คือการการฟังต้องฟังแบบนี้ให้ฟังด้วยปัญญา เมื่อเราฟังด้วยปัญญาแล้วใจของเราจะรู้สึกเฉยๆกับการสรรเสริญหรือนินทาจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เขานินทาหรือเขาด่าเราที่ไม่ที่ไม่จริงก็เพราะว่าเขาโกรธเราหรือเขากลีดรำหรือเขาอิดช้าริษยาเราเท่า น, นั้นเองเราจะไปเดือดร้อนทำไมกับความชั่วของเขาเราดีเสยอย่างเราก็อยู่ของเราไป เราก็อยู่กับความดีของเราไปเราไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดเขาให้ทําให้เรากลายเป็นคนชั่วไปกับเขาด้วย mm hmm. เขาชั่วก็ปล่อยเขาชั่วไปแต่เราไม่ต้องไปชั่วตามเขาแต่ถ้าเขาว่าเราแล้วเราไปโกรธไปเกลียดเขาอย่างนี้เราก็จะชั่วไปกับเขาด้วย mm hmm. เราต้องใช้ปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะสามารถรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจได้ ไม่ให้เครียดกับเรื่องต่างๆได้เพราะเรายอมรับความจริงได้ถ้าเราจะเสียอะไรเราก็ยอมรับว่ามันต้องเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเกิดมาแล้วเราก็ต้องตายและเมื่อตายไปแล้วเราก็จะเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดอยู่ดีแล้วเราจะไปเสียใจทาไมให้ขาดทุนไปเป่าๆให้เสียแต่ของก็พอแต่อย่าเสียใจ เสียต่อเดียวอย่าเสียสองต่อถ้าเราฉลาดเราจะเสียเพียงต่อเดียวเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เราจะต้องเสียไปหมดสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเวลาเกิดการสูญเสียเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดรอ้อนไม่ทุกข์ไม่กังวลและขณะที่ยังไม่สูญเสียเราก็จะไม่เครียดจะไม่วิตกจะไม่กังวล เราพร้อมที่จะให้มันเกิดขึ้นเสมอเมื่อถึงเวลาของมันนี่คือยารักษาโรคใจถ้ามีปัญญาแล้วจะไม่เป็นโรคจิตอย่างแน่นอนจะไม่ต้องไปหาจิตแพทย์จะไม่ต้องไปหายากล่อมประสาทรับประทานให้เสียเวลาเพราะต้นเหตุของโรคนี้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่มันอยู่ที่ใจที่ขาดปัญญาที่ไม่ยอมรับความจริง ไม่ยอมรับความสูญเสียไม่ยอมรับความเสือ่อมต้องการแต่ความเจริญเพียงถ่ายเดียวซึ่งมันขัดกับหลักของความจริงนั่นเองเราต้องยอมรับว่าความจริงก็คือมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดามีได้มาต้องมีเสียไปเป็นธรรมดาถ้าเรายอมรับได้แล้วใจของเราจะไม่ทุกข์จะไม่เครียดกับอะไร นี่คือเรื่องของปัจจัยสี่ของใจคือทานศสีงสมาธิและปัญญาทานก็คืออาหารของใจศียก็คือเครื่องนุ่งห่มของใจสมาธิก็คือที่อยู่อาศัยของใจและปัญญาก็คือยารักษาโรคใจถ้าเรามีปัจจัยสีให้กับใจอย่างครบถ้วนบริบูรนณะ์แล้ว ใจของเราจะอยู่แต่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเช่นใจของพระพุทธเจ้ามีแต่ความสุขอย่างเดียวเป็นปรมังสุขขังเพราะพระพุทธเจ้ามีปัจจัยสี่ของใจครบถ้วนบริบูรณ์พวกเรามีแต่ปัจจัยสี่ของร่างกายแต่ปัจจัยสี่ของใจของเรายังไม่ค่อยสมบูรณ์เราจึงยังต้องมีความหิวความอยากความไม่สวยงาม ความวุ่นวายใจความเครียดความทุกข์ใจดังนั้นขอให้เราจงพยายามสร้างปัจจัยสีให้กับใจของเราให้มากเพื่อใจของเราจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดมาสร้างปัจจัยสีของใจนี้ให้ท่านได้นำเราไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป